ที่ตรงกับวันอาทิตย์ยากโยมเลยมีเวลาพิเศษอีกหนึ่งวันเพื่อที่จะมาทำบุญการทำบุญนี้ก็คือเป็นการสร้างความสุขให้แก่ใจนอกจากการทำบุญแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงความสุขของผู้ครองเลือน ไว้อยู่4ประการด้วยกันคือ 1. การมีทรัพย์ 2. การใช้ทรัพย์ 3. การไม่มีหนี้ 4. การกระทำที่ไม่เป็นโทษนี่คือเหตุของความสุขของผู้ครองเรือนมีอยู่สประการนี้ ถ้าสามารถปฏิบัติได้จะมีแต่ความสุขจะไม่มีความทุกข์วุ่นวายใจดั่งนั้นขอให้เราพยายามปฏิบัติเหตุของความสุขทั้งสประการนี้ให้ได้แล้วเราจะมีความสุขข้อที่หนึ่งคือการมีทรัพย์เวลาเรามีทรัพย์เราก็มีความสุขใจ แต่การจะมีทราบได้นี้ก็มีเหตุที่ทำให้เกิดขึ้นได้สองประการคือหนึ่งบุญที่ได้เคยทำมาในอดีตเช่นชาติก่อนได้ทำบุญทาทานมามากพอชาตินี้มาเกิดก็จะเกิดในครอบครัวของผู้มีเงินมีทองครอบครัวของเศรษฐีเช่นพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่าง พระองค์ทรงในสมัยที่เป็นพระเวชสันดอนทรงบริจาคทานอย่างมากมายก่ายกองพอกลับมาเกิดใหม่ก็ได้มาเกิดเป็นเจ้าชายศิทธัตถะราชบุมาเป็นลูกของกษัตริย์มีทรัพย์สมบัติมากมายมีปราสาทสามฤดูนี่เป็นผล ที่เกิดจากการทำบุญในอดีตชาติทำให้มาเกิดแล้วมีทรัพย์นี่ก็คือวิธีหนึ่งถ้าชาติหน้าเราอยากจะมีทรัพย์มีความสุขสบายชาตินี้เราต้องหมั่นทำบุญให้ทานกันมากๆเพราะการทำบุญให้ทานก็เป็นเหมือนการปลูกข้าวเราต้องปลูกข้าวเราถึงจะได้ มเมล็ดข้าวในฤดูการต่อไปถ้าเราไม่ปลูกข้าวในอนาคตเราจะไม่มีข้าวรับประทานนี่คือความสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์ด้วยการทำบุญมาในอดีตถ้าเราไม่ได้ทำบุญมาในอดีตเรามาเกิดในครอบครัวที่ไม่ร่ำรวยไม่มั่งคั่งสิ่งที่เรา จะทำได้เพื่อให้เกิดทรัพย์ก็คือการทำมาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเงินทองที่เราหามาได้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนี้จะเป็นเงินเย็นจะทำให้จิตใจเราเย็นสบายแต่ถ้าเราหาเงินมาด้วยวิธีทุจริตผิดกฎหมายเงินที่เราได้มาก็จะเป็นเงินร้อนแทนที่จะให้ความสุขกับเรา กับจะให้ความทุกข์กับเราและอาจจะต้องถูกเขายึดคืนไปถ้าเขาจับได้ว่าเป็นเงินที่หามาโดยวิธีที่ไม่ชอบดังที่เราคงได้เคยได้ยินฟังข่าวกันผู้ที่หาเงินหาทองมาโดยไม่ถูกกฎหมายในที่สุดก็ถูกสารยุติธรรม ตัดสินให้ยึดทรัพย์ไปเงินทองที่ได้มามากมายกายกองเป็นแสนล้านหมื่นล้านก็ไม่สามารถให้ความสุขใจได้กลับให้ความทุกข์ใจเพราะไม่ได้เป็นเงินทองที่หามาด้วยวิธีที่สุดจริตถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะมีความสุขจากการมีทรัพย์ เราต้องหาทรัพย์มาด้วยวิธีสุจริญไม่ช่อโกงไม่ทำบาป ท, ทำกรรมไม่ทำผิดกฎหมายถึงแม้ว่าจะไม่ได้เงินมามากม า, กายก่ากองแต่จะให้ความสุขกับเราเพราะว่าเป็นเงินเย็นเป็นเงินที่จะทำให้ใจเราไม่วุ่นวายไม่วิตกไม่กังวลไม่เดือดร้อน และจะไม่มีใครจะมายึดเอาจากเราไปได้ดังนั้นถ้าอยากจะมีความสุขจากการดีทรัพย์ถ้าไม่ได้ทำบุญ ม, มาในอดีต mm hmm. ก็ขอให้ทำให้มากๆสำหรับอนาคตคือชาติหน้าจะได้ไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีเป็นลูกกษัตริย์ถ้าชาตินี้ ไม่มีเงินก็ขอให้ใช้พรแสวงก็คือให้มีความภาคเพียรมีความขยันในการทำมาหากินด้วยวิธีที่สุดจริตถูกกฎหมายไม่นานเราก็จะมีเงินมีทองและจะเริ่มรวยได้ถ้าเรารู้จักเก็บจากออมไม่ใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายไม่ใช้แบบ ไม่มีเหตุไม่มีผลนี่ก็คือบญที่ความสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์ข้อที่สองท่านตัดว่าความสุขที่เกิดจากการใช้ทรัพย์เมื่อเรามีทรัพย์แล้วเราก็ต้องใช้ทรัพย์แต่การใช้ทรัพย์นี้ก็ใช้ให้เกิดความสุขก็ได้ใช้ให้เกิดความทุกข์ก็ได้ ถ้าจะใช้ให้เกิดความสุขเราก็ต้องใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับร่างกายและจิตใจร่างกายสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับร่างกายคืออะไรก็คือปัจจัยสี่เช่นอาหารเครื่องนุ่งหง่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยถ้าเราไม่มีปัจจัยสี่เราก็ต้อง เอาเงินนี้มาซื้อปัจจัยสี่เพื่อที่ร่างกายของเราจะอยู่ได้อย่างปกติสุขไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ทุกยากลำบากส่วนการใช้เงินเพื่อให้เกิดความประโยชน์กับจิตใจก็คือการเอาเงินนี้ไปทำบุญหรือเอาเงินนี้ไปปฏิบัติธรรม ไปอยู่วัดไปรักษาศีลไปเจริญสมาธิวิปัสสนาเพื่อทำจิตใจให้สะอาดจิตใจสะอาดมากเพียงไรก็จะมีความสุขมากเพียงนั้นดังนั้นเวลาเราใช้ทรัพย์เราต้องรู้จักวิธีใช้เพื่อให้เกิดความสุขตรงใช้เพื่อร่างกายและจิตใจร่างกาย ขาดแทงปัจจัยสี่เราก็ต้องหามาจิตใจของเราขาดบุญขาดกุศลเราก็ต้องเข้าวัดมาทำบุญแล้วก็มาปฏิบัติธรรมรักษาสีนั่งสมาธิจเจริญปัญญาเราก็จะมีความสุขจากการใช้ทรัพย์ของเราการใช้ทรัพย์ที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมานี้ ใช้อย่างไรก็คือใช้ในสิ่งที่ไม่จำเป็นใช้ใช้ในสิ่งที่เป็นโทษกับร่างกายและจิตใจอะไรที่เป็นโทษกับร่างกายและจิตใจก็คือการดื่มสุรายามา <S <S การเที่ยวกลางคืน <S <S การเล่นการพนัน <S <S นี่เป็นโทษต่อร่างกายและจิตใจการดื่มสุรานี้เป็นโทษ กับร่างกายเพราะจะทำให้ร่างกายสุขภาพไม่แข็งแรงมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบีย น, ยนและถ้าดื่มเป็นประจำก็จะถึงแก่ชีวิตจะตายก่อนวัยอันสมควรและสำหรับจิตใจก็เมื่อดื่มเข้าไปแล้วเกิดอาการมึนเมา ก็จะไม่สมีสติประครับประคองการกระทําและการพูดทําให้พูดและกระทําในสิ่งที่ไม่ดีในสิ่งที่เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นและกับตนเองเช่นดื่มสุรายาเมาแล้วก็ไปขับรถก็มักจะเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำชนกันตายเมื่อวันปีใหม่ออกไปบินตาบาด ก็ไปเจอคนนอนตายอยู่กลางถนนขี่มอเตอร์ไซค์อุบัติเหตุเพราะดื่มสุราฉลองวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม mm. ่ก็เลยต้องให้ยมบ า, บาลมาต้อนรับปีใหม่ไปเพราะการใช้เงินไม่ถูกวิธีไม่รู้จักใช้เงินให้เกิดประโยชน์แทนที่จะใช้เงิน กับการซื้ออาหารมรับประทานแล้วก็หลับนอนแต่หัวค่ำตอนเช้าก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็มาทาบุญที่วัดชีวิตก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายกลับไปใช้เงินในทางที่ไม่ถูกไปเที่ยวกลางคืนดื่มสุรายาเมาจนเกิดอาการมึนเมาไม่ยอมหลับไม่อยากไม่หลับนอนถ้าง่วงนอนก็เสพยาบ้าขึ้นไป เพื่อที่จะได้ได้เที่ยวต่อได้ดื่มต่อได้เล่นต่อพอถึงเวลาสว่างกลับบ้านก็ไม่มีสติสตังที่จะควบคุมให้ขับรถของตนให้ไปได้อย่างปลอดภัยก็เลยมักจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายไปได้นี่คือการใช้เงินที่เป็นโทษการใช้เงินที่เป็นโทษอีกอย่างหนึ่งก็คือ ใช้เงินกับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นซื้อของต่างๆที่ไม่จำเป็นที่ต้องดื่มหมือต้องรับประทานแต่กิเลสชอบรับประทานชอบดื่มเครื่องดื่มต่างๆขนมนมเนยต่างๆรับประทานไปมากๆ ก, ก็จะทำให้ร่างกายนั้นมีน้ำหนักมากเกินไป ก็จะทำให้มีโครคภัยไข้เจ็บต่างๆตามมาเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโรคหัวใจการใช้เงินต้องใช้ให้รู้จักประมาณคือพอดีกับความต้องการของร่างกายอย่าใช้ตามอำนาจของกิเลสตัณหาชอบอะไรก็ซื้อมาดื่มซื้อมารับประทานการชอบแบบนี้จะเกิดโทษ และจะทำให้เงินทองนี้หมดไปได้อย่างรวดเร็วหรือการซื้อปัจจัยสีที่มากเกินไปเช่นมีเสื้อผ้าพอใส่แล้วแต่ยังอดที่อยากจะซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆมาใส่ไม่ได้เห็นรองเท้าขายอยู่ตามร้านก็อดที่จะซื้อมาไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่มีเต็มอยู่ในบ้านแล้วมีเต็มตู้ อาจจะต้องเสียเงินไปซื้อตู้ใหม่มาเก็บรองเท้าเก็บเสื้อผ้าอีกนี่คือการใช้เงินแบบสุรุย่ยสุรา่าใช้แบบฟุ่มเฟือยไม่เกิดประโยชน์เพราะจะเกิดโทษตามมาคือจะติดเป็นนิสัยเวลาไม่ได้ใช้เงินไม่ได้ซื้อข้าวซื้อของที่ไม่จำเป็นก็จะเกิดอารมณ์โรธขิดเร้าสซ้อยไหวเยงา ต้องออกไปเดินตามห้างอยู่เรื่อยๆเงินที่อยู่ในกระเป๋ามันร้อนต้องให้มันออกไปต้องใช้มันให้หมดแต่เวลาหมดแล้วก็จะลาบากเวลามีความจำเป็นที่จะต้องซื้อของจำเป็นก็จะไม่มีเงินพอไม่มีเงินก็จะต้องไปกู้หนี้ยืมสินแล้วนี่ก็เป็นความสุขข้อที่สคือการ ไม่มีหนี้ไม่มีสินถ้าอยากจะอยู่อย่างมีความสุขไม่มีนต้องไม่มีหนี้ไม่มีสินให้รู้จักคาว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานสมมติว่าเราอยากจะซื้ออะไรแต่เรายังไม่มีเงินทองพอที่จะซื้อได้ถ้ามันไม่เป็นสิ่งที่จาเป็นจริงๆคือถ้าไม่ได้มีไม่ได้ซื้อมาแล้วไม่ตาย ก็ให้อดใจรอไว้ก่อนจะดีกว่าให้เก็บเงินเก็บทองไว้ให้พอมีจํานวนพอที่จะซื้อได้แล้วค่อยไปซื้อจ ะ, จะได้ซื้อของที่ถูกกว่าเพราะหนึ่งไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยเหมือนกับเวลาไปกู้เงินมาซื้อของถ้าเราซื้อเงินสดนี้ราคาจะถูกกว่าครึ่งต่อครึ่งเลยทีเดียว ซื้อบ้านผ่อนส0สปีราคาขายแสนหนึ่งแต่ผ่อนไปผ่อนมาตกสองแสนสามแสนแต่ถ้าเราเก็บเงินไว้พอเรามีเงินสดพอที่จะซื้อเราค่อยซื้อเราก็จะได้ของถูกเพราะเราไม่ต้องเสียดอกเบี้ยแล้วถ้าเราไปกู้หนี้ยืมสินมามันก็จะเป็นภาระกับจิตใจเงินทองที่ได้มา ก็ไม่ได้เป็นของเราเสียแล้วต้องเอาไปใช้เจ้าหนี้เขาถ้าไม่มีปัญญาที่จะใช้เจ้าหนี้เขาก็จะหนักอกหนักใจเพราะเจ้าหนี้เขาจะต้องมาคอยทวงอยู่เรื่อยๆถ้าไปเจอเจ้าหนี้ที่มีอิทธิพลเป็นนักเลงหรือเป็นอันพานเขาก็จะส่งคนมาทุบตีทําร้ายร่างกาย และถ้ายังไม่คืนให้เขาเขาก็อาจจะต้องฆ่าเราก็ได้นี่คือความสุขที่เกิดจากการไม่มีนี่ถ้าเราอยากจะได้อะไรแล้วเรายังไม่มีเงินพอที่จะซื้อเราก็อยากพึ่งไปซื้อเช่นอยากจะซื้อรถยนต์แต่ไม่มีเงินซื้อเงินผ่อนอยากไปซื้อเก็บเงินไว้ก่อนตอนนี้นั่งรถเมย์ไปก่อน ขึ้นแท็กซี่ไปก่อนก็ได้ไปถึงจุดหมายปลายทางเหมือนกันช้าหน่อยไม่รวดเร็วทันใจแต่ก็ไม่ต้องมีภาระกับการต้องจ่ายหนี้ผ่อนหนี้และไม่ต้องดูแลรถยนต์ซื้อรถยนต์มาแล้วยังต้องมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นอีกต้องเสียค่าน้ำมันเสียค่าดูแลรักษาบำรุงรักษา แล้วก็ต้องมีภาระทางจิตใจตอนคืนจอดรถไว้ที่ไหนก็ไม่แน่ใจว่าจะปลอดภัยหรือเปล่านี่คือความไม่สบายใจในการที่มีนี่มีสินดังนั้นขอให้เรารู้จักคำว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานเหมือนผลไม้เช่นมะม่วงนี้เวลาออกมาใหม่ๆมันยังเปรี้ยวอยู่แต่ถ้าเราอยากเราก็จะได้กินของเปรี้ยว ไม่ได้กินของหวานแต่ถ้าเรารอให้มันสุกก่อนแล้วค่อยกินเราก็จะได้กินมะม่วงที่หวานไม่ต้องทำน้าปลาหวานมาจิ้มของเปรี้ยวฉันใดการใช้ทรัพย์ของเราก็เป็นเช่นนั้นขอให้ใช้อยู่ในกรอบของความสามารถของเราคือเราต้องรู้จักหาทรัพย์รู้จัก เก็บทรัพย์และรู้จักใช้ทรัพย์การใช้ทรัพย์นี้ก็ต้องแบ่งให้มันถูกคือใช้ในสิ่งที่จาเป็นส่วนหนึ่งเก็บเอาไว้สำหรับความจาเป็นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็ให้เอาไปทำบุญเพื่ออนาคตคือพบต่อไปในภายภาคหน้าจะได้ไม่ทุกข์ยากลาบาก จะได้เกิดในครอบครัวที่มีความมั่งมีอย่าเอาเงินไปใช้กับการเที่ยวเตร่หรือซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อขนมนมเนยซื้ออะไรต่างๆที่เห็นแล้วชอบใจโดยที่ไม่มีความจงเป็นที่จะต้องซื้อมาเพราะจะทำให้ไม่มีเงินทองไม่พอใช้และเมื่อถึงเวลาจำเป็นที่จะต้องใช้เงินก็จะไม่มีเงิน ก็จะต้องไปกู้หนี้ยืมสินไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็อาจจะต้องไปทำบาป ท, ทำกรรมทำผิดกฎหมายไปช่อโกงไปทำอะไรต่างๆที่ไม่ดีที่เป็นโทษกับร่างกายและจิตใจนี่คือความสุขข้อที่สคือการไม่มีหนี้ความสุขข้อที่สี่ พระองค์ทรงสแสดงว่าการกระทาที่ไม่เป็นโทษก็เป็นการกระทำอะไรก็ตามที่ไม่ไปทาแล้วทำให้เกิดโทษกับตัวเราและแก่ผู้อื่นเช่นการทาผิดกฎหมายนี่ก็จะเป็นโทษถึงแม้ว่าเราจะคิดว่าไม่เป็นโทษแต่เวลาเกิดแล้วมันก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเช่นขับรถแล้วฝ่าไฟแดงพอดี รถทางอื่นเขาเขามาต้องไปชนเขาเขา้าทำให้เขาถึงแก่ความตายรถเราก็พังเราก็ต้องถูกเขาฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายต่างๆเพราะใจร้อนใจประมาทรีบร้อนทำอะไรพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าอย่าทาด้วยความประมาทให้ทำด้วยความรอบคอบ ให้มีสติอยู่ทุกเวลานาทีทำอะไรก็ให้มีสติรู้อยู่กับการกระทำเวลาขับรถสมัยนี้เขาถึงเริ่มมีกฎหมายออกมาแล้วเวลาขับรถนี้ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือห้ามพูดโทรศัพท์มือถือเพราะขณะที่พูดโทรศัพท์มือถือนี้จะไม่มีสติอยู่กับการขับรถ ขับไปแล้วก็พูดคุยไปพอถึงเวลามีเหตุกระทนหันก็จะไม่สามารถควบคุมหรือรักษาไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้ดังนั้นเราต้องพยายามเจริญสติให้มากไม่ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ให้อยู่กับงานที่เราทำเพียงอย่างเดียวเช่นกำลังรับประทานอาหาร ก็ให้อยู่กับการรับประทานอาหารกำลังอาบน้ำก็ให้อยู่กับการอาบน้ำกำลังแต่งตัวก็ให้อยู่กับการแต่งตัวอย่าให้ใจไปคิดเรื่องอื่นส่วนใหญ่เรารับประทานอาหารแต่เราใจเราไปคิดถึงเรื่องที่เราจะไปทําต่อไปได้หรือคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาเมื่อวานนี้แล้วอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติรับประทานอาหารไปอาจจะสำลักก็ได้ บางคนเวลารับประทานอาหารแล้วคุยกันหัวเลาะกันไปรับประทานกันไปบางทีเวลากืนอาหารก็ไปสำลับในคอเพราะไม่มีสติการทำอะไรเราต้องมีสติแล้วจะไม่เกิดความเสียหายจะไม่เกิดโทษตามมาแล้วการกระทาที่มีสตินี้ก็จะทำให้จิตใจเรามีความสงบมีความสุข จะทำให้เราสามารถนั่งสมาธิได้ถ้าเรานั่งสมาธิได้เราจะได้แต่ประโยชน์ไม่เกิดโทษกับใครเลยเป็นการกระทาที่ไม่เกิดโทษที่ดีที่สุดก็คือการนั่งสมาธินั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกไปถ้ามีสติคอยเฝ้าดูลมหายใจเข้าออกไปใจก็จะค่อยสงบไปทีละเล็กทีละน้อย ะจะสงบอย่างเต็มที่ขณะที่ใจสงบนี้จะมีความสุขมากมากกว่าความสุขที่ได้จากการมีเงินมีทองมีทรัพย์จะมีความสุขมากกว่าการใช้ทรัพย์เพราะพระพุทธเจ้านี้เป็นตัวอย่างมาแล้วพระพุทธเจ้ามีโอกาสได้นั่งสมาธิจนพระทัยของพระองค์นี้สงบ มีความสุขมากจึงทําให้พระ อ, องค์เกิดความอยากที่จะได้ความสุขจากความสงบของใจมากกว่าความสงบมากกว่าความสุขจากการมีทรัพย์และใช้ทรัพย์พระ อ, องค์จึงสะละราชสมบัติไปเพราะว่าทรงพบความสุขที่ดีกว่าจากการมีทรัพย์จากการใช้ทรัพย์นี่เองดังนั้นถ้าพวกเราปฏิบัติตาม แนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ให้นับรองได้ว่าในอนาคตพวกเราก็จะก้าวไปสู่ความสุขที่เลิศที่ประเสริฐกว่าความสุขที่มีทรัพย์กว่าความสุขที่ใช้ทรัพย์กว่าความสุขที่ไม่มีหนี้เพราะเราจะสามารถกระทำในสิ่งที่ไม่เป็นโทษแต่เป็นคุณแก่จิตใจของเราได้นั่นเองก็คือ การนั่งสมาธิการปฏิบัติธรรมการเจริญปัญญาการที่จะต้องมีสติเป็นผู้ริเริ่มดังนั้นในชีวิตของเราไม่ว่าเราจะทำอะไรขอให้เรามีสติคอยดูคอยควบคุมการคิดการพูดการกระทำของเราเสมอว่าเรากำลังคิดไปในทางที่ดีหรือไม่ดีเมื่อคิดแล้ว ถ้าเราปล่อยให้ความคิดปล่อยออกไปก็จะพูดไปในทางที่ดีหรือไม่ดีจะทำไปในทางที่ดีหรือไม่ดีถ้าไม่มีสติใจคิดอะไรก็จะพูดไปตามใจและทำไปตามใจแต่ถ้ามีสติเราสามารถที่จะกันกรองความคิดและการกระทําของเราได้ถ้าเราคิดจะทำในสิ่งที่ขัดกับหลักธรรม เช่นไปหาทรัพย์มาโดยวิธีไม่ถูกต้องไปทุจริตคอร์รัปชันถ้าเรามีสติเราก็จะบอกว่านี่เป็นการกระทาที่ผิดกับหลักคำคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ควรที่จะคิดแบบนี้พอเรามีสติเราก็จะระงับความคิดไม่ดีได้พอเราไม่คิดไม่ดีเราก็จะไม่พูดไม่ดีและจะไม่กระทามไม่ดีได้ เราจะคิดแต่สิ่งที่ดีพูดแต่สิ่งที่ดีและกระทาสิ่งที่ดีเพราะเรามีสติคอยเฝ้าดูการกระทำของกายวาจาใจอยู่ตลอดเวลานั่นเองนี่แหละคือการกระทำที่ไม่เป็นโทษการกระทำที่เป็นประโยชน์สุขอย่างแท้จริงก็คือการมีสติคอยเฝ้าดูกายวาจาใจให้อยู่ในกรอบของธรรมะ ให้อยู่ในทำนองคลองธรรถ้าเป็นคนขับรถก็ให้รถอยู่ในถนนไม่ให้แหกโคง้งไม่ให้ตกคลองถ้าไม่มีสติแล้วมักจะเกิดอุบัติเหตุแต่ถ้ามีสติแล้วจะขับไปได้อย่างปลอดภัยคนที่ไม่มีสติเช่นดื่มสุรายามางก็มักจะไปพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็จะเกิดเรื่องราวต่างๆตามมา ถูกจับเข้าคุกเข้าตารางไปแต่ถ้ามีสติคอยดูการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจแล้วรับรองได้ว่าจะไม่มีโทษตามมาเช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านมีสติครบร้อยเรเซนรู้อยู่ทุกเวลาว่ากำลังคิดอะไรกำลังจะพูดอะไรกำลังจะทำอะไรดังนั้น การกระทำของท่านการพูดของท่านนั้นจึงมีแต่คุณมีประโยชน์โดยถ่ายเดียวพวกเราสามารถน้อมเอาคำพูดคำสอนของท่านมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับเราได้อย่างเต็มที่เลยเพราะว่าท่านมีสติท่านกันกรองความคิดของท่านก่อนแล้วถึงจะพูดออกมาถึงจะทำออกมาเราจึงมีศรัทธามีความเชื่อ ในพระพุทธในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ได้อย่างเต็มร้อยเลยไม่ลังเลสงสัยเลยว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคุณเป็นประโยชน์หรือไม่นี่คือความสุขต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้แก่พวกเราพุทธศาสนิกชนในวาระดิถีช่วงวันขึ้นปีใหม่นี้ขอให้พวกเราจงน้อมเอาไปปฏิบัติ แล้วความสุขและความเจริญที่พวกเราทั้งหลายปรารถนาก็จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาฟังเทศฟังธรรมฟังเหตุของความสุขนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิจิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา